สิกขาบทที่6เรื่องพระชาวพคี601สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกผู้สุชาวพคีนั่งรัดเข่าในละแวกบ้านพระบัญญัติ 6. พึงทําความสําเนียกว่าเราจะไม่นั่งรัดเข่าในละแวกบ้านเรื่องพระชาวพคีจบสิกขาบทวิพัง์ ภิกษุไม่พึงนั่งรัดเข่าในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งรัดเข่าด้วยมือหรือด้วยผ้าในละแวกบ้านต้องอาบัติทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5้ภิกษุยืนในที่พัก6กภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง7จภิกษุวิกลจริต8ปภิกษุต้นบัญญัติสิบขาบทที่6จบ